ชีวิตพื้นที่ห่างไกลในหลายจังหวัดของประเทศไทยเป็นพื้นที่ทุร ก, กันดารบางพื้นที่เป็นที่สูงมีความยากลําบากในการคมนาคมและเทคโนโลยีบางอย่างยังเข้าไม่ถึงทำให้ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดในพื้นที่ยังไม่มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงกรมทรัพยากรน้ำได้นำแนวพระราชดาริ การจัดหาน้ำเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมโดยเข้าร่วมสนับสนุนระบบน้ำสะอาดเพื่อแก้ปัญหาด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำดื่มที่ใสสะอาดปราศจากกลิ่นและเชื้อโรคทำให้มีสุขภาพพรรณไมยที่ดีขึ้นโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านแพะตาบลแม่ตื่นอาเภอแม่รำมาจังหวัดตากและโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนบ้านปูหมืน่น หมู่15ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกพื้นที่ที่ครมทรัพยากรน้ำได้สร้างระบบทรายกรองช้าระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดให้เด็กและเยาวชนรวมถึงคณะครูในพื้นที่พร้อมมีการติดตามบำรุงรักษารวมถึงเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดน้ำคือชีวิตควรคิดก่อนใช้